วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองกันยายนพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่าธรรมมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจให้ ใช้เวลาที่ว่างนี้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระคุณอันเลิศอันประเสริฐมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าความรู้ความสามารถของ บุคคลทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ในโลกนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เช่นสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นมายิ่งใหญ่ตะการตามีการเรียกกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเช่นกำแพงเมืองจีนหรือ พีระมิดในประเทศอียิปต์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายดายในการที่จะสร้างขึ้นมาได้การปรากฏของสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์แต่สิ่งมหัศจรรย์ที่ ที่มีปรากฏในในโลกนี้ที่สร้างขึ้นมาด้วยมนุษย์นี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่แท้จริงเพราะว่าไม่ได้ทาให้ผู้ที่ได้ไปพบไปเห็นนั้นมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงขึ้นไปในทางที่ดีก็คือไม่ได้มีความรู้สึกว่าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีในใจ ไม่ได้มีความรู้สึกว่าได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ถาวรเป็นสิ่งที่ให้ได้ดูได้เห็นแล้วเกิดมีความรู้สึกตื่นเต้ น, ต, นตื่นตาไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองยึงไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่มาสัจารั์ที่แท้จริงสิ่งที่เป็นสิ่งที่มาสัจจัรท์ที่แท้จริงนี้ มีอยู่ในพระพุทธศาสนาของเรานี้เองที่พวกเราอาจจะยังไม่ได้พบยังไม่ได้เห็นกันจรงเลยอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่มหัศาจรรย์ที่แท้จริงที่เป็นสิ่งที่มีผลต่อผู้ที่ได้พบได้เห็นก็คือถ้าใครได้พบได้เห็นสิ่งมหัศาจรรย์ของพระพุทธศาสนาแล้วนั้น จะทําให้จิตใจของเขานี่เปลี่ยนไปในทางที่ดีจิตใจจะพ้นจากความทุกข์ต่างๆจิตใจจะได้พบกับความสุขที่เป็นความสุขสุดยอดที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงและเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่ถาวรนั่นแหละคือผลที่ จะเกิดขึ้นกับการที่ได้มาสัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนานี้คืออะไรก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่เองที่เราเรียกว่าพระรัตนไตรคำว่ารัตน์ก็แปลว่าของที่มีคุณค่าอัญญามณีเป็นดินจินดาต่าง เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีราคามากมาก mm hmm. เราถึงเรียกว่าอัญญามนีลัตนะไ mm hmm. ตรแปลว่าสามพร mm hmm. yeah. ะรัตนะไตรก็คืออัญญามนีอันล้ำค่าสามสามชิ้นด้วยกันได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า และพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าพระรัตนตรายนี่แหละเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่แท้จริงที่จะทำให้ผู้ใดได้เข้ามาสัมผัสรับรู้ได้พบได้เห็นได้เข้าถึงจะได้พบกับสิ่งที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งนั่นก็คือการดับของความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจและการได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดนี่แหละคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่มาสจรรัจจัน์คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ พระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลแรกที่ได้ค้นคว้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนได้เข้าถึงธรรมชาติที่มาสัจจ ร, รย์คือใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์ใจที่ได้พบกับความสุขที่เรียกว่าพระนิพพานเป็นคนแรกคนเดียวที่สามารถเข้าถึง ความสุขและการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยพระองค์เอง<ม>เป็นสิ่งเป็นคนคนเดียวในโลกที่จะสามารถเข้าถึงสิ่งอันมหัศจรรย์นี้ได้นานๆจะมีสักคนหนึ่งที่มาปรากฏขึ้นมามาเป็นพระพุทธเจ้า แต่หลังจากที่พระองค์ได้ส่งเข้าถึงความมาศจรรย์ของธรรมที่ได้ส่งค้นพบแล้วคือพบพระนิพพานพบวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้ว<ม>พระองค์ก็ส่งนำเอาความรู้ความสามารถนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่น คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เราเรียกว่าพระธรรมคาสั่งคาสอนเป็นคาสอนที่ไม่เหมือนกับคาสอนต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คําสอนต่างๆหรือความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อให้เรียนไปถึงระดับปริญญาเองก็ตามแต่ความรู้คที่ได้เรียนรู้จาก จากผู้ที่สั่งสอนในทางโลกนี้จะไม่สามารถที่จะทำให้ผู้ที่ศึกษานี้ได้พบกับวิมุตติได้พบกับพระนิพพานได้คือจิตใจก็ยังต้องทุกข์อยู่กับเรื่องราวต่างๆความสุขที่หามาได้ก็เป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไป mm hmm. แต่ความรู้ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความรู้ที่จะสอนให้ผู้ที่ศึกษาน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนสามารถเข้าถึงพานิพานเข้าถึงวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พระธรรมก็เลยเป็นของที่ประเสริฐเหมือนกับพระพุทธเจ้าเพราะตอนนี้เราก็ไม่มีพระพุทธเจ้า มาสอนวิธีทำให้จิตใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทำให้จิตใจของเราได้เข้าถึงพระนิพพานแล้วแต่เราก็มีพระธรรมคําสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นคู่ที่จะพาให้เราได้เข้าสู่พระนิพพานได้ให้เราได้พบกับวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ พระทรรมคำสอนจึงเป็นคำสอนจึงเป็นสิ่งที่มาสัจจันเท่าเท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะพระธรรมคำสอนก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นละสามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้จากโลกนี้ไปแล้ว <Yes. S 1> สิ่งที่เป็นสิ่งที่มาสัจจันส่วนที่สามก็คือพระ อาหารหันตสาวกหรือพระอริยสงสารกของพระพุทธเจ้านี่ก็คือบุคคลที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติด้วยความด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี mm ่เ hmm. รียกว่าสุปฏิปันโน <Yeah. S 1> แล้วก็ได้บรรลุถึง ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบรรลุถึงก็คือพระนิพพานแ ล, และวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลังจากที่ท่านได้บรรลุถึงพระนิพพานได้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วท่านก็สามารถเอาความรู้ความสามารถที่ท่านได้เรียนได้รู้ได้ปฏิบัติมานี้เอามาสั่งสอนให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ได้เข้าถึงพระนิพพานได้เ <c oughs> ช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ดังนั้นพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้านี้จึงเปรียบเป็นเหมือนสิ่งอันเดียวกันเพราะว่าทาหน้าที่อย่างเดียวกันก็คือนำพาผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติตามให้ได้ เข้าถึงพระนิพพานให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง<ม>นี่แหละคือเป็นสิ่งที่มหาัศาจรรย์ของโลกที่แท้จริงไม่เหมือนกับสิ่งมหาัศาจรรย์ที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาที่ไม่ได้ทำให้ผู้ที่ได้ไปพบไปเห็นนี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่อย่างใดไม่ได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ ความสุขที่ที่ถาวร mm hmm. มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้แหละ mm hmm. เท่านั้นแหละที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่แท้จริงที่พวกเราชาวพุทธนี้ mm hmm. ควรจะมีความภาคภูมิใจและควรที่จะพยายามศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้ได้เข้าถึงความมหัศจรรย์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ mm hmm. การที่เราได้มาถือนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของเรา <c oughs> เป็นที่พึ่งทางใจของเรานี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นของการที่เราจะเข้าถึงที่พึ่งที่เราจะได้จากพระพุทธศาสนา <c oughs> คือเรามีศรัทธาหมายความว่าเรามีความเชื่อ <c oughs> เชื่อว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ที่เราเคารพนับถือที่เราศรัทธาเชื่อฟังนี้จะพาให้เราได้ไปสู่ความสุขอันยิ่งใหญ่ของพระนิพพานและวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง mm hmm. เมื่อเรามีความเชื่อแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราก็ต้องศึกษาลรื่มเรียนคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่พระธรรม คำสอนและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้เอามาพร่ำสอนพวกเราเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาเพียงแต่เรามีความเชื่อมีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ความเชื่อเพียงอย่างเดียวนี้ไม่สามารถที่จะพาให้เราให้ได้เข้าถึงวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์และพระนิพพาน ความสุขอันยิ่งใหญ่เราต้องถ้าเราอยากจะเข้าถึงพระนิพพานอยากจะเข้าถึงวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราจําเป็นที่จะต้องศึกษา พ, ะำำพระพธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสั่งคำสอนของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าเราไปศึกษากับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราจะไม่ได้ความรู้ที่ถูกต้องและเราจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระนิพพานเข้าถึงวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราถึงจะสามารถที่จะ เ ข, เข้าถึงพันิพานได้เข้าถึงวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดั <Yeah. S 1> งนั้นสิ่งที่เราควรจะทำหลังจากที่เรามีศรัท ธ, ธาความเชื่อแล้วก็คือ <Yeah. S 1> เราต้องศึกษาธรรมะคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอริยสงสาวกก็ดี <Yeah. S 1> ในเบื้องต้นนี้สิ่งที่เราควรจะศึกษากันก็คือ ศึกษาพระทําคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนจะดีเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่เราสามารถยึดเป็นหลักในการที่เราจะนําเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เราได้พบกับพระนิพพานได้พบกับวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะถ้าเราไปศึกษากับ พระรูปใดรูปหนึ่งซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าท่านนั้นเป็นพระสุปฏิปันโนหรือไม่ท่านเป็นพระที่ได้พบกับพระนิพพานได้พบกับวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วหรือไม่ถ้าเราไปศึกษาจากท่านถ้าเกิดว่าท่านยังไม่ได้ไปถึงพระนิพพานยังไม่ได้วิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์คสอนของท่านอาจจะไม่ สามารถพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วเราก็จะไม่รู้ว่าท่านสอนถูกหรือไม่สอนตามที่พุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นและทรงนำม า, มาสั่งสอนหรือไม่ดังนั้นสิ่งคำสอนที่เราควรที่จะศึกษาในเบื้องต้นก็คือเราควรจะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ า, าไว้ก่อน คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็มีบันทึกไว้ในพร ะ, ะคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกเป็นพระสูตรต่างๆเป็นการสอนวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นพร ะ, ะ, ะ, ะธรรมจากกับประวัตินสูตรเป็นพระสูตรที่สาคัญอย่างยิ่งของพระพุทธศาสนาเพราะาเป็นคำสอนที่ปูแนวทางของการปฏิบัติ เพื่อให้ได้เข้าถึงพระนิพพานเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองนี่เป็นพระสูตรที่ชาวพุทธเราทุกคนนี้ควรที่จะศึกษากันพระจะสอนวิธีการปฏิบัติว่าถ้าอยากจะไปพระนิพพานถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องปฏิบัติอะไรมากพระอาจารย์ก็ทรงสอนว่าต้องปฏิบัติมากแปดต้องเจริญมากแปดขึ้นมา มรรคแปดคือทางที่จะพาให้ผู้ที่ปฏิบัติมรรคแปดนี้ไปถึงพระนิพพานได้มรรคแปดมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องข้อสองสัมมาสังกโปความคิดที่ถูกต้องข้อสามสัมมากมรมโตการกระทำที่ถูกต้องข้อสี่สัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้อง ข้อห้าสัมมาอาชีวโว อ, อาชีพที่ถูกต้องข้อหกสัมมาวายามโมความเพียรที่ถูกต้องข้อเจ็ดสัมมาสติการระลึกรู้ที่ถูกต้องและข้อแปดสัมมาสมาธิความตั้งมั่นที่ถูกต้องนี่คือธรรมะแปดข้อที่ จะนำพาผู้ที่ปฏิบัตินี้ได้ไปเข้าถึงพระนิพพานได้ได้ไปถึงวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือสิ่งที่ชาพุทธเราผู้ที่ปรารถนาพระนิพพานปร า, าปรถนาวิมุตตินี้ควรจะต้องศึกษาให้เข้าใจใเพื่อที่จะได้เป็นเป็นมาตรฐานวัด คำสอนของผู้อื่นต่อไปเพราะว่าการศึกษาจากพระไตรปิฎกเช่นศึกษาพระสูตรนี้ยังอาจจะไม่ละเอียดพอเรายังอาจจะไม่เข้าใจว่าสมาธิมีอะไรบ้างความเห็นชอบนี้เป็นอย่างไรความคิดชอบเป็นอย่างไรเราอาจจะต้องไปศึกษากับพระภิกษุต่อไป พระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจะได้รู้ว่าเวลาที่เราไปศึกษากับพระภิกษุที่เรานับถือเป็นครูเป็นอาจารย์นี้ท่านสอนตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนหรือไม่ถ้าท่านไม่สั่งสอนตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี้เราก็ควรที่จ ะ, ะมีความสงสัยขึ้นมาได้แล้ว เพราะว่าทำไมท่านถึงไม่สอนตามที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนถ้าไม่สอนตามที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนแล้วผู้ปฏิบัติตามจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่อย่างไรนี่คือสิ่งแรกที่เราควรจะศึกษากันก็คือศึกษาว่าทำคาสอนของพระพุทธเจ้าสียก่อนไว้เป็นพื้นฐานของความรู้ที่ถูกต้องว่า วิธีที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่ถูกตั้งนั้นต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างก็มีพระสูตรอยู่สี่ห้าพระสูตรที่สำคัญที่ชาวพุทธเราควรจะศึกษากันก็คือนอกจากพระธรรมจักรแล้วก็ต้องศึกษาพระสติสติปฐานสูตรเป็นการสอนวิธีเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมา ส, สัมมาสิติสัมมาสังกโปรจะอยู่ในสติปัฏฐานสูตรแล้วก็ศึกษ า, ามงคลละสูตรนี่มงคลละสูตรนี้เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสุดท้ายมีส8ขั้นด้วยกันสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปถึงพระนิพพาน ผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ควรจะปฏิบัติในแนวของวงคอ ล, ลสูตร38ข้อนี้ น, นี่คือสิ่งที่เราชาวพุทธเราควรจะศึกษาก่อนเพราะว่าในสมัยนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าจะมาสอนเราแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากไปว่าถึงแม้พระองค์จะจากพวกเราไปเนี่ย แต่พวกเราชาวพุทธนี้จะยังไม่ได้อยู่ปาสะจาพระพุทธเจ้ายังไม่ได้อยู่ปาสะจากศาสดาเพราะว่าผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่เองที่ได้ทรงตัดไว้ได้สอนไว้ตลอดระยะเวลาสี่สบห้าปีด้วยกันพระพุทธเจ้าทรงสอนทรงแสดงธรรมตดสัต ัทธาญาตโยมโปรดพระภิกษุภิกษุณีโปธดเทวดาวันละสามรอบด้วยกันตอนบ่ายสอนศัทธาญาติโยมผู้คองเรือนตอนค่ำสอนภิกษุภิกษุณีนักบวชตอนเดึกสอนเทวดานีและพระธรรมคำสอนที่พระเจ้าได้ทรงสอนไว้นี้ก็มีการจดจำกันเอาไว้แล้วก็มีการ เก็บรวบรวมมาสังคายนามาตรวจสอบโดยมีพระอราหันห้าร้อยรูปด้วยกันมาประชุมร่วมกันเพื่อมาสังคายนาหรือมาตรวจสอบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่างๆที่ได้ทรงแสดงไว้ในขณะที่พระองค์ยังทรงมีพระชนทีบอยู่แล้วก็มารวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็เก็บไว้ตามลำดับ ต่อมาก็ได้มาเก็บไว้ในพระไตรปิฎก mm. เป็นพระคำพีเป็นหนังสือที่ชาวพุทธเหล่านี้สามารถที่จะใช้เป็นแหล่งอา้างอิงถึงความถึงคำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เลยเวลาที่เราไปศึกษากับครูบาอาจารย์ูปต่างๆนี้ เราก็ยังไม่แน่ใจว่าครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเหล่านี้ท่านเป็นพระอริยสงสาวกที่แท้จริงหรือไม่ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจริงหรือไม่เราจะรู้ได้ก็อยู่ที่การคำสั่งคำสอนของท่านว่าขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ หรือเป็นไปตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นและเราก็ต้องมาอาศัยคาสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆที่เป็นพระสุปฏิปันโนที่แท้จริงเพราะว่าการที่ศึกษาจากพระคัมภีนี้มันยังไม่มีรายละเอียดพออ่านแล้วบางทียังอาจจะไม่เข้าใจก็เลยไม่รู้ว่าจะไปปฏิบัติได้อย่างไร จึงจำเป็นที่จะต้องไปอาศัยไปศึกษากับพระที่มีชีวิตอยู่ครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่เพราะว่าเวลาที่เราปฏิบัติแล้วเราเกิดการติดขัดเกิดความไม่เข้าใจในการปฏิบัติเราก็จะสามารถสอบถามจากท่านได้แล้วท่านก็จะช่วยสามารถท่านก็จะช่วยเราให้เรา เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจะทำให้เราไม่หลงทางจะทำให้เราสามารถเข้าถึงพระธรรมเลิศอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้แต่ท่านต้องเป็นพระสุปฏิปันโนที่แท้จริงเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถสอนพระธรรมประเสริฐนี้แทนพระพุทธเจ้าได้ ดังนั้นการที่เราจะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เราก็ต้องเข้าเข้าหาทั้งสมองค์เข้าหาพระธรรมคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเป็นพระสูตรต่างๆอย่างซึ่งเราไม่จําเป็นจะต้องศึกษาทั้งทั้งหมดที่มีอยู่ในในพระไตรปิฎกเพียงศึกษาพระสูตรสามสพระสูตรนี้ก็พอที่จะได้แนวทางของการปฏิบัติแล้ว คือธรรมจากกับประวัตินสูตรมงค ล, ลรัศมีสติปัฏฐานสูตรนี้เป็นต้นถ้ามีพระสูตรเหล่านี้เราจะได้รู้ว่าทางที่จะนําไปสู่พระนิพพานนี้ต้องปฏิบัติอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นถ้าเราไม่เข้าใจส่วนไหนเราก็ต้องไปศึกษากับพระที่มีชีวิตอยู่พระที่ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบ พระที่เราเชื่อว่าเป็นพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าให้ท่านได้ช่วยสอนช่วยอธิบายขยายความในพระสูตรต่างๆให้เกิดความความเข้าใจที่ดีขึ้นที่จะสามารถนาเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปสู่การบรรลุถึงผลได้ น, นี่คือขั้นนที่สองขั้นแรกเราเป็นชาวพุทธเราก็มีศรัทธามีความเชื่อ ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่เชื่อคำสอนของผู้อื่นถ้าเป็นคำสอนที่ขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าเป็นคำสอนที่ไม่ขัดกันเราก็เชื่อได้เช่นคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเรากันสอนให้พวกเราเป็นคนดีสอนให้พวกเราเป็นคนชื่อสัตาดสุจริต สอนให้พวกเราเป็นคนขยันหมั่นเพียรสอนให้พวกเรามีความเมตตาไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนกันอันนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นถ้าเป็นคำสอนที่ไม่ขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เราก็น้อมนำามาปฏิบัติได้แต่ถ้าเป็นคำสอนที่ขัดกับหลักธรรมเช่นถ้าสอนให้เราไปลักไปขโมยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไปทำบาปทำกรรมอย่างนี้เรียกว่าเป็นคําสอนที่ขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราถือพร ะ, พ, ระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเป็นที่พึ่งของเราเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเราก็ต้องไม่ไปทําตามคําสอนของผู้ที่สอนขัดกับหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าใครสอนให้เราไปช่อโกง<ม>ไปลักทรัพย์ไปหลอกลวง อันนี้เราต้องไม่ทำตามไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะถือว่าไม่ได้เป็นคำสอนที่ถูกต้องตามที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนนั่นเองคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีข้อสรุปใหญ่ๆอยู่สามข้อด้วยกันก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชาระ กิเลสตัญหาความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจิตจากจิตใจให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ซึ่งคำสอนทั้งสามข้อนี้ก็รวมอยู่ในมรรคแปดนี้เองการที่เราปฏิบัติมรรคแดนี้ก็สัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโวการกระทําชอบการการพูดชอบและการมีอาชีพชอบนี้ก็อยู่ในกรอบ ของการไม่กระทำบาปนั่นเองการไม่การละการกระทำบาปสัมากัมมันโตก็สอนให้เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่ดื่มของมึนเมาไม่เสพอบายามุขต่างๆแล้วก็สัมาวาจาก็สอนให้เราไม่พูดปดไม่ให้โกหกหลอกลวงสัมาชีโรก็ให้เราทำอาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนนั่นเองนี่ก็เป็นคำสอนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันคำสอนที่เป็นคาสอนที่คุมคำสอนทั้งหมดก็คือคำสอนสามหัวข้อใหญ่ๆนี่สัมาให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยการทำบุญทาทานชนิดต่าง แล้วก็ให้ชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ก็ต้องใช้สัมมาวายามโอความเพียรชอบเพียรสัมมาสติสัมมาสมาธิเพื่อเพื่อเพียรสร้างสติสร้างสมาธิเมื่อได้สติได้สมาธิแล้วก็ให้ไปเจริญสมาทิฏฐิสัมมาสังกปรซึ่งเป็นการสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะได้เอาไปใช้กำจัด ปิเลสัญหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนี่คือทางเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงแต่เราเข้าใจท่านนี้รู้ท่านนี้มันก็พอที่จะทำให้เราไม่หลงทางแล้วเวลาเราไปศึกษากับใครท่านสอนวิธีปฏิบัติเหล่านี้หรือเปล่าสอนให้เรารักษาสีหรือเปล่าสอนให้เราจเจริญสตินั่งสมาธิหรือเปล่าสอนให้เราพิจารณา ทางปัญญาหรือเปล่าพิจารณาความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงหรือเปล่าว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของเราที่เป็นตัวเราที่เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ mm hmm. นี่แหละคือธรรมะคาสั่งคําสอนที่พวกเราจะต้องมาศึกษากันอยู่เรื่อยๆแล้ว หลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วเราก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติควบคู่กันไปอย่าศึกษาเพียงอย่างเดียวเพราะว่ามันจะทําให้เราลืมได้ง่ายแต่ถ้าเราศึกษาแล้วเรานําเอาไปปฏิบัติด้วยพอเราเริ่มปฏิบัติเริ่มกระทําแล้วสิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เราทํานี้มันจะอยู่ในใจของเรามันจะไม่หลงมันไม่จะทําให้เราหลงลืมแต่ถ้าเราศึกษาเฉยๆฟังเฉยๆ เดี๋ยวเราก็ลืมได้เพราะว่าในชีวิตของเราแต่ละวันนี้เราต้องไปรับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังในขณะนี้พอออกจากที่นี่ไปแล้วพอเราไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเรื่องใหม่ๆที่เราไปทำไปรับรู้มันก็จะมากรบเรื่องเก่าที่เราได้ได้รับรู้ได้ยินได้ฟังมา สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้เราก็อาจจะลืมหลังจากนี้อีกสองสามวันเราก็อาจจะลืมได้แต่ถ้าเรานํำอาไปปฏิบัติด้วยเราก็จะลืมยากเช่นให้เราละ ก, การการะทําบาปทั้งปวงพระเจ้าสอนว่าให้เราละการการะทําบาปให้มีสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสมาชิวเราก็นํำอาไปปฏิบัติด้วยละ ก, การการะทําบาปด้วยก า, การรักษาศีงห้า ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการรักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเพณีละเว้นจากการพูดปลดละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาอันนี้ถ้าเรานํำมาไปปฏิบัติด้วยมันก็จะไม่ลืมมันก็เพราะเราจะต้องทําอยู่ทุกวันเราต้องจดจําอยู่เรื่อยว่าต่อไปนี้เราฆ่าสัตว์ไม่ได้แล้วนะเราลักทรัพย์ไม่ได้ละเราประพฤติผิดประเพณีไม่ได้เราพูดปดไม่ได้ เราเดื่มสุรายาเมาไม่ได้ ก, การปฏิบัตินี่แหละจะทำให้เรารักษาทำให้มันอยู่ในใจของเราไปและทำที่เราสามารถรักษาให้อยู่ในใจของเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่จะไปคอยกำจัดความทุกข์ต่างๆที่จะปรากฏขึ้นมาถ้าเราไม่มีทำเหล่านี้ความทุกข์ต่างๆมันก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็จะไม่มีอะไรมาดับความทุกข์ได้ แต่ถ้าเรามีธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัตินี้เรานำมามาปฏิบัติกันเราปฏิบัติแล้วมันก็จะอยู่ในใจของเราเบื้องต้นท่านก็ให้เรารักษาศีลกันก่อนรักษาศีลห้าเจริญสัมมากัม aja, มันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิวการกระทาที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องการมีอาชีพที่ถูกต้อง การมีอาชีพก็คือมีอาชีพที่ไม่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนอย่าไปส่งเสริมอย่าไปทำอาชีพที่ส่งเสริมให้มีการทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนเช่นการขายสุรายาเมาถึงแม้ว่าสุราจะไม่เป็นบาปก็ตามแต่การดื่มสุราแล้วมันจะทำให้เกิดอาการมึนเมาขึ้นมาแล้วก็จะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ เวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็อาจจะยับยั้งไม่ได้ก็อาจจะต้องออกไปทำในสิ่งที่เสียหายแก่ผู้อื่นหรือพูดในสิ่งที่เสียหายได้ถ้าเราขายสุรายาเมานี้เราก็เท่ากับการไปส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพของบุญเมาแล้วควบคุมสติควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้แล้วเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีก็จะ ทำให้ไปทำร้ายผู้อต่อไปได้อาชีพเหล่านี้จึงไม่ควรทำอาชีพที่ส่งเสริมการเบียดเบียนอาชีพที่ส่งเสริมการทำร้ายทำร้ายผู้อื่นขายอาวุธอย่างนี้ขายของที่เป็นพิษยาพิษต่างๆเป็นต้นเป็นอาชีพที่เราไม่ควรที่จะ ก, กระทากันอย่าส่งเสริมกันแล้วเราก็มาจเจริญมรรคอิคอนก็คือสัมมาวายามโม คือให้เรามีความเพียรความเพียรที่จะทําอะไรความเพียรรักษาศีลนี่เราต้องมีความขยันหมั่นเพียรที่จะรักษาศีลทุกวันเบื้องต้นเราอาจจะเริ่มต้นแค่วันหนึ่งวันก็ได้อาทิตย์ละวันหนึ่งก่อนเพราะว่าเราอาจจะยังไม่มีกําลังพอที่จะรักษาศีลได้ทุกวันเราก็ลองเริ่มต้นรักษาศีลในวันพระหรือวันที่เราสะดวกถ้าวันพระไม่สะดวก เราไปรักษาศีลวันที่เราหยุดทำงานก็ได้เพราะว่าวันหยุดทำงานนี้เราจะได้ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครมากโอกาสที่จะรักษาศีลมันก็จะง่ายเมื่อเรารักษาได้วันหนึ่งแล้วเราก็ต้องเพียนพยายามเพิ่มการรักษาศีลต่อไปรักษาวันหนึ่งได้ก็รักษาสองวันต่ออาทย์รักษาสองวันต่อทอิย์ได้แล้วต่อไปก็เพิ่มเป็นสามวันเพิ่มไปเรื่อยๆ เป้าหมายก็คือควรจะรักษาให้ได้ทุกวันเพราะการรักษาศีลนี้จะเป็นการกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการไม่รักษาศีลนั่นเองเวลาที่เราทำบาปเวลาที่เราทำทำร้ายผู้อื่นเวลาที่เราลักทรัพย์ของผู้อื่นเวลาที่เราไปประพฤติผิดประเพณีนีใจของเราจะไม่สบายใจความทุกข์ใจเกิดจากการกระทำบาปขึ้นมาทันที ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการกันไม่มีใครต้องการความทุกข์ถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปเราก็ต้องรักษาศีลไว้ให้มั่นคงนั่นเองถ้าเรารักษาศีลได้ความทุกข์ที่เกิดจากการไปทำร้ายผู้อื่นก็จะไม่เกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดจากการไปลักทรัพย์ของผู้อื่นความทุกข์ที่เกิดจากการระพูดผิดประเพณีความทุกข์ที่เกิดจากการไโกหกหลอกลวงพูดมันก็จะไม่เกิดขึ้นมา เราต้องเพียรพยายามสัมมาวายามโมเพียรรักษาศีลให้ได้ถ้าเรารักษาศีลได้แล้วเราก็จะได้ไปเพียรสร้างสติสร้างสมาธิต่อไป <c oughs> แต่ก่อนที่เราจะไปสร้างสติสร้างสมาธิได้อย่าง <c oughs> มั่นคงนี้เราก็ต้องเพิ่มการรักษาศีล <c oughs> เพิ่มจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดด้วยเพราะว่าการ <c oughs> การรักษาศีลห้านี้จะไม่มีกําลัง พอที่จะทำให้เราได้ไปเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือการไปเจริญสติการไปนั่งสมาธิเพราะเราจะมีเวลาน้อยถ้าเรารักษาเพียงศีลห้าเพราะศีลห้านี้ไม่ห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปดูหนังฟังเพลงไปร่วมหลับนอนกับแฟนของเราคู่ครองของเรา ห้ามไม่ห้ามทำได้แต่ถ้าเราไปทำกิจกรรมเหล่านี้มันก็จะทำให้เรามีเวลาน้อยต่อการที่เราจะมาเจริญสติมานั่งสมาธิกันถ้าเราอยากที่จะเจริญสติมเจริญสมาธิเราก็ต้องลดกิจกรรมอย่างอื่นไปลดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกาย แทนที่จะไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกดลิ่นรสผดภาชนิดต่างๆเราก็มาเปลี่ยนวิธีเสพความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าความสุขที่จะได้จากการเสพรูปเสียงกดลิ่นรสผดพภพานั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะเจริญมรรคเพื่อให เราได้ก้าวไปข้างหน้าก้าวไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก้าวไปสู่พระนิพพานบัลลังกสุเราก็จำเป็นที่จะต้องมีความเพียรที่จะต้องเพิ่มการรักษาศีลจากการรักษาศีลห้าขึ้นไปเป็นการรักษาศีลแปซึ่งเราก็อาจจะทําในเบื้องต้นเหมือนกับการรักษาศีลห้าเราก็อาจจะรักษาศีลแไปวันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่อนหนึ่งวันก่อน เช่นวันพระหรือวันที่สะดวกวันที่เราหยุดทำงานเนี่ยเราก็เอาวันนั้นมาเป็นวันที่เราจะมารักษาสีลนแปดกันแล้วเราก็จะได้เอาเวลาที่เราได้จากการรักษาสิ้นแปดนี้มาให้กับการจเจริญสติมาให้กับการนั่งสมาธิเพราะถ้าเราไม่รักษาสิน้นแปดนี้ใจของเราก็ยังจะอยากจะไปหาความสุขทาง ตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังอยากจะไปร่วมหลับนอนกับแฟนอยู่ยังอยากจะรับประทานอาหารหลายๆครั้งรับประทานอาหารตามความอยากอยากเมื่อไหร่ก็สามารถรับประทานได้ถ้าถือศีลห้าแต่ถ้าท่าจะถือศีลแปดนี้ก็จะไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามความอยากเพราะการรับประทานอาหารตามความอยากนี้มันจะทำให้ ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เวลาที่อยากแล้วอยากรับประทานแล้วไม่มีอะไรให้รับประทานหรือถ้ารับประทานมากๆแล้วมันก็จะทำให้เกิดความม่วงเหงาหาวนอนเกิดความเกลียดค้านอยากจะหลับอยากจะนอน mm hmm. ก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติจเจริญสตินั่งสมาธิได้ mm hmm. เราจึงจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมการบริโภคอาหาร จะรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารรับประทานพอดับความหิวของทางร่างกายได้ก็พออย่ารับประทานเพื่อความอร่อยอร่อยอย่ารับประทานเพื่อความสุขทางใจเพราะมันเป็นความสุขเหนียวเดียวแต่มันมีผลกระทบต่อการที่เราจะไปเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิต่อไปเหมนให้รับประทานอาหารไม่เกินเที่ยงวันจะดีที่สุดรับประทานแค่วันครั้งละ มือหนึ่งมือสองมื้อเป็นอย่างมากแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วเพื่อเราจะได้เอาเวลาหลังเที่ยงวันนี้มาให้กับการเจริญสติมาให้กับการนั่งสมาธินั่นเองมาเจริญสัมมาสติเจริญสัมมาสมาธิการเจริญสัมมาสตินี้ทําอย่างไรถึงเรียกเป็นการเจริญสัมมาสติสตินี้แปลว่าการเราเลึกรู้ให้เราเลึกรู้อยู่กับเรื่องที่ที่ ที่ทำให้ใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราไปเล่นรื้แล้วเราปล่อยให้ใจเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ไม่เรียกว่าสัมมาสติเช่นเวลาเรามีสติอยู่กับการทำงานเวลาเราทำงานเราก็ต้องใช้ความคิดคิดเกี่ยวกับเรื่องงานที่เรากำลังทำอยู่แต่เรามีสติจดจ่ออยู่กับเรื่องงานคือเราไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นเราไม่ได้ไปคิดเรื่อง เรื่องไปเที่ยวที่นั่นเรื่องไปเที่ยวที่นี่เราไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เราคิดอยู่กับเรื่องงานที่เรากำลังทาอยู่อย่างนี้ก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นสัมมาสติเพราะว่าสัมมาสตินี้เราต้องการให้ใจเหล่านี้มีสติอยู่กับสิ่งที่เราทาแต่ไม่ให้คิด mm hmm. เช่นเวลาเราเดินนี้เราไม่ต้องใช้ความคิดเดินไปเดินมาหรือทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นอาบน้าล้างหน้าแปรงฟัน ทำความสะอาดกวาดบ้านถูบ้านอะไรซักผ้าเสื้อผ้าซักเสือเส้อผ้าอะไรทำนองนี้เป็นงานที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ความคิดให้เรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ให้เรารู้ว่าเรากําลังซ<อ>ักผ้ากําลังรีดผ้า<อ>กําลังอาบน้ํากําลังแต่งตัวกําลังรับประทานอาหารแต่อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ อย่างนี้เรียกว่าการมีสัมมาสติคือมีการระลึกรู้ที่ไม่ไม่มีความคิดปรุงแต่งถ้ามีการระลึกรู้แล้วมีการคิดปรุงแต่งนี้ไม่ถือว่าเป็นสัมมาสติเพราะว่ามันจะไม่เป็นสติที่จะทำให้เวลานั่งสมาธิแล้วทำทาใจให้นิ่งสงบตั้งมั่นอยู่ในความสงบได้ต้องเจริญสัมมาสติ สติที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งหรือมีน้อยที่สุดมีเท่าที่จําเป็น mm hmm. นั้นเราต้องทําการเจริญสติที่เป็นที่จะได้ผลดีนั้นต้องควรจะเจริญเวลาที่เราไม่ต้องไปทํางานทําการกันเพราะเวลาเราทํางานทําการนี่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ความคิดกับงานการที่เราทําอยู่ถึงแม้เรามีสติอยู่งานที่เราทําอยู่แต่เราก็ต้องคิด ว่าเราต้องทำอะไรบ้างทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ถ้าเรายังมีความคิดอยู่นี้ใจก็จะไม่ใจก็จะหยุดคิดยากเวลาที่จะมานั่งสมาธิเพื่อให้ใจหยุดคิดให้ใจนิ่งให้ตั้งอยู่ในความสงบนี้ก็จะทำได้ยากดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะมาเจริญสมมาสติสัมมาสมาธินี้ควรจะเลือกเอาวันที่ว่างจากภารกิจการงานต่างๆถ้าเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เป็นวันหยุดทำงานเราก็เอาวันนั้นแหละมาเป็นวันพระเป็นวันปฏิบัติธรรมของเราเพราะสมัยนี้วันพระไม่มันไม่ตรงกับวันหยุดทำงานของเราเราจะมาเจริญสติเจริญสมาธิในวันพระแต่เราต้องไปทำงานนี้เราก็จะไม่สามารถที่จะทำได้เราก็ต้องเลือกวันวันที่เหมาะต่อการเจริญสติต่อการฝึกสมาธิก็ต้องเลือกวันที่เราไม่ต้องมี งานการต้องทำเป็นวันที่เราว่างเป็นวันหยุดทำงานแล้วเราก็จะได้มีมีเวลาที่จะเจริญสติได้ทั้งวันคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดด้วยการให้ละเลิกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเพียงอย่างเดียวหรือถ้าเราไม่ใช้การละเลิกดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราจะใช้การระเลิกรู้ถึง ชื่อของพระพุทธเจ้าก็ได้ก็คือพุทโธพุทโธ mm hmm. ล้วก็ให้เราเลึกรู้อยู่กับคมบริกรรมพุทโธพุทโธไป mm hmm. ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลยเราต้องการสกัดความคิดปรุงแต่งต่างๆเพราะถ้าเรามีความคิดปรุงแต่งแล้วเวลานั่งสมาธินี้จะไม่ได้ผลใจจะไม่นิ่งใจจะไม่สงบจะไม่เป็นสมาธิถ้า mm hmm. เราอยากจะนั่งสมาธิแล้วได้ผล เราต้องสกัดความคิดตั้งแต่เราตั้งแต่เรายังไม่ได้ไปนั่งเพราะว่าถ้าเราไปทำตอนที่เราไปนั่งนี้มันจะทาไม่ได้เราต้องใช้เวลามากในการที่เราจะคอยสกัดความคิดต่างๆเราจึงควรที่จะฝึกสกัดความคิดหยุดความคิดตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลย <cell> ในวันที่เราหยุดทำงานที่เราไม่ต้องทำงานทำการไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเราลืมตาขึ้นมาเราก็พุโทโธพุโทโธไป ถ้าเราใช้พุทโธเป็นที่ตั้งของสติให้ที่เป็นที่ระลึกรูก้ของสติเราก็ใช้คเมริกรรพุทธโธไปถ้าเราใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ระลึกรูก้แล้วก็คอยเฝ้าดูว่าร่างกายตอนนี้กำลังอยู่ในท่าไหนอยู่ในอิริยาบทไหนกำลังยืนแล้วก็รู้ว่าเรากำลังยืนกำลังเดินแล้วก็รู้ว่าเรากำลังเดินนะากนาลังทาอะไรล้วก็รู้ว่าเรากาลังทาอะไรอยู่ ให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกาย<ไ>โดยที่ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คน น, นคนนั้นคนนี้ถ้าเราสามารถจเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องจน เ, เป็นสัมปะชัญญาขึ้นมาสัมปะชัญญาก็คือมีสติที่ต่อเนื่องมีสติที่ไม่พลั้งเผอมีสติที่ไม่หลุด<ไ>ที่ไม่เผลอไปคิดถึงเรื่องนั้น<ไ>เรื่องนีคงนค้คิดถึงคนนั้นคิดคิดถึงคนนี้มีสติอยู่กบพุทโธไปเรื่อย หรือมีสติอยู่กับการเข้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายไปอยู่เรื่อยๆพอเวลาเรามานั่งสมาธินี่เราก็จะสามารถทําใจให้นิ่งให้สงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเวลาเรามานั่งสมาธิถ้าเราใช้พุทโธเราก็ใช้พุทโธต่อไปก็ได้นั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องดูลมหายใจก็ได้ใช้พุทโธคําเดียวจะง่ายกว่าจะสะดวกกว่า ถ้าเราใช้การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาที่เราจเจริญสติเวลาเรามานั่งสมาธิเราก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกแทนดูลมหายใจที่ปลายจมูกลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกก็ให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เฝ้าดูลมอย่างเดียวแล้วใจก็จะค่อยๆสงบลงไปจนในที่สุดใจก็จะ นิ่งไปได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีพุโทโธก็ดีด้วยวิธีดูลมหายใจก็ดีถ้าเรามีสติเระเลิกรู้อยู่กับอารมณ์นั้นเพียงอารมณ์เดียวอยู่กับลมอย่างเดียวอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วใจก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาจะนิ่งสงบเวลานิ่งนี้อาจจะเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าจะตกจากที่สูงจะรู้สึกใจมันจะวูบลงไป แล้วก็รู้สึกนิ่งสงบเย็นสบายขึ้นมาใจก็มีสติรู้อยู่กับความนิ่งความสงบความเย็นความสบายไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งไม่ต้องไปวิภาควิจารณ์ให้รู้เฉยๆไปเพราะถ้าไปคิดไปปรุงไปแต่งเดี๋ยวๆเดี๋ยวสมาธิที่ได้นั้นมันก็จะหมดไปให้ประครับประคองสมาธิคือความนิ่งความสงบไว้ด้วยการให้ละลกรู้เฉยๆให้เข้าดูเฉยๆ แล้วถ้าเกิดจะมีคิดอะไรก็ระงับความคิดนั้นไว้ก่อนตอนนี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมาคิดตอนนี้มีเวลาเป็นเวลาที่เราจะอยู่นิ่งเฉยๆสักแต่ว่ารู้ให้มีความสุขอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นนี่คือขั้นตอนของการจเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิที่จะทำให้ใจเรานี้เข้าสู่ความสงบงระงับความคิดปรุงแต่ ง, งระงับ กิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงไว้ได้ชั่วคราวก่อนเป็นการซักพอกจิตใจแบบชั่วคราวก่อนคือเวลาเข้าสมาธินี้จิตใจก็จะสะอาดขึ้นมากิเลสตัณหาที่คอยครอบงําจิตใจก็จะหยุดทํางานชั่วคราวแต่กิเลสตัณหานี้ยังไม่ได้ตายไปยังไม่หมดไปจากการใช้สติใช้สมาธิ เป็นเพียงแต่กดกิเลสตัณหาไม่ให้ทำงานเท่านั้นเองเพราะกิเลสตัณหาจะทำงานได้ต้องอาศัยความคิดปรุงแต่งเวลาจิตไม่มีความคิดปรุงแต่งกิเลสตัณหาก็จะออกมาไม่ได้กิเลสตัณหาก็จะต้องรอให้เวลาที่ออกจากสมาธิมาก่อนเพราะว่าเวลานั่งสมาธิไปก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในสมาธิไปได้ตลอดเพราะใจก็ยังต้องมีความรับผิดชอบกับร่าง ก, กายอยู่ ร่างกายนั่งอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วบางทีร่างกายก็ต้องมีภาระที่ระต้องทำมีการที่จะต้องไประบายมีการบรรเทาความปวดท้องปวดอะไรขึ้นมาตอนนั้นก็ต้องออกมาจากสมาธิมาทำกิจของทางร่างกายวเวลาออกจากสมาธิมันก็จะเริ่มมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมามีการไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกยลิ่นรสโผฏฐพละชนิดต่าง พอมีการสัมผัสรับรู้มีการคิดปรุงแต่งขึ้นมาตอนนั้นกิเลส ท, ที่ที่นึ่งอยู่ในสมาธิก็ออกมาทำงานต่อถ้าไปสัมผัสรับรู้กับสิ่งที่ที่ชอบก็จะเกิดความโลภความอยากได้ขึ้นมาถ้าไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ชอบก็จะเกิดความเกลียดเกิดความชังเกิดความโกรธขึ้นมาถ้าเราอยากที่จะรักษาความสงบถ้าเราต้องการที่จะกาจัดกิเลสตัณหาตอนที่ออกจากสมาธิมา ท่านต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญาเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปรสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเห็นอย่างไรก็เห็นให้เห็นว่าทุกสิ่งยุกอย่างที่ใจไปสัมผัสรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะหรือเป็นธรรมอารมณ์ก็ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดขึ้นที่ตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไป เป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้ไปสั่งได้ mm hmm. ถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้มันเที่ยงไปอยากให้มันอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับ mm hmm. ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดังน mm ั hmm. ้นถ้าไปถ้าเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเปเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นอนัตตาความโลภความอยากที่จะไปควบคุมบังคับ สิ่งต่างๆก็จะหยุดไปเพราะไม่มีใครอยากจะไปเจอกับความทุกข์กันนั่นเองอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่ใจมาสัมผัสรับรู้ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพระก็ดีไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญสุขก็ดีไม่ว่าจะเป็นบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ดีลนวนเป็นตายรักทางนั้นนวนเป็นทุกข์ทางนั้น ถ้าไปยุ่งกับเขาไปเอาเขามาเกี่ยวข้องกับเราแล้วเราจะต้องทุกข์กับเขาไม่ช้าก็เร็วถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีอะไรอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความว่างนะ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะความว่างนี้ไม่ใช่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้ามีสิ่งใดปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นจะต้องเป็นอนิจจังเพราะสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องมีการยุตมีการดับไปเป็นธรรมดา แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาก็เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ไปสั่งให้เขาเกิดไม่ได้ไปห้ามไม่ให้เขาดับไม่ได้เวลาเขาจะเกิดเขาก็เกิดเวลาเขาจะดับเขาก็ดับถ้าเราไปอยากไปโลภเราก็จะทุกข์เพราะเราจะไม่ได้ดังใจอยากนั่นเองอันนี้คือการเจริญปัญญาหรือสมาทิฐิความเห็นที่ถูกต้องให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริง ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะให้ความทุกข์กับเราต่อไปไม่ช้าก็เร็วสิ่งเดียวที่จะทําให้เราไม่มีไม่ให้ความทุกข์กับเราก็คือความว่างนั่นเองความไม่มีอะไรให้เราหัดอยู่กับความว่างอยู่กับการไม่มีอะไรอยู่กับการไม่มีความอยากอยู่กับการไม่มีความโลภด้วยการมีสติมีสัมมามีสติแล้วก็มีปัญญาหรือมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง แล้วเราก็จะมีสัมมาสังกปรเราก็จะไม่คิดที่อยากจะได้นู่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่ความคิดของเราก็จะกลับพลิกไปแทนที่อยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่เราก็จะคิดไม่อยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่อยากมีนั่นไม่อยากมีนี่เพราะมีอะไรก็เป็นทุกข์ได้อะไรมาก็ต้องเป็นทุกข์ต่อไปอันนี้เรียกว่าสัมมาสังกปรความคิดที่ถูกต้องที่จะตามมาหลังจากที่เราได้สัมาสมาธิแล้ว พอเราได้สมาสัมมาธิเราถึงย่อค่อยมาเจริญสมาทิฏิเจริญสัมมาสังกปรเมื่อเราสามารถเจริญสมาธิฏิสัมมาสังกปรได้ตลอดเวลาแล้ว <S <S 1> <S 1> เราก็จะสามารถชำระความโลภความโกรธความหโงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ <S <S 1> <S 1> พอเราสามารถชำระมันได้หมดแล้วใจของเราก็จะโลง่งใจของเราก็จะว่างใจของเราก็จะสงบเป็นพระนิพพานขึ้นมา เป็นบาร ม, มาสุขขึ้นมานี่คือวิธีการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราพวกเราชาวพุทธควรที่จะศึกษาและปฏิบัติกันตามแนวทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเบื้องต้นศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนเพื่อเราจะได้รู้แนวทางที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรเมื่อเ ร, รู้แล้วแต่เรายังไม่เข้าใจ ยังไม่ยังไม่เข้าใจร า, ายละเอียดหรือวิธีการปฏิบัติที่ถูกตั้งว่าปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องไปหาพระที่เป็นพระสุปฏิปันโนพระที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้วพระที่ท่านได้บรรลุ ถ, ถึงมรรคผลนิพพานแล้วให้ท่านช่วยสอนเราอีกอีกทอดหนึ่ง mm hmm. ไปศึกษากับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ mm hmm. แต่เราจะเราก็จะไม่รู้ว่าพระที่เราไปศึกษานั้นท่านเป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ อย่างน้อยเราก็จะรู้ว่าถ้าเราได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแนวทางที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติแล้วถ้าเราไปศึกษากับพระต่างๆพระอาจารย์ต่า ง, างๆเราก็จะอย่างน้อยจะได้มีเครื่องวัดว่าท่านสอนตามที่พทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่ <aways. S 1> ถ้าท่านไม่สั่งสอนตามที่พุะเจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็อาจจะเราก็อาจจะคิดว่าไม่ควรจะไปศึกษากับท่านก็ได้เพราะถ้าท่านไม่สอนทางที่พรเจ้าสอนนั้นแล้ว เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าทรงได้ไปถึงได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องต้องต้องใช้ความพิจารณาให้รอบคอบเวลาที่เราไปศึกษากับใครก็ตามต้องศึกษาต้องดูว่าคําสอนของท่านนี้ขัดหลักกับคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าสอนครบถ้วนขบวนการที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติหรือเปล่า ประโยชน์การศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นเพื่อเราจะได้มีอะไรเป็นเครื่องวัดคําสอนของผู้อีอ ก, อกอีกทอดหนึ่งถ้าเราไม่มีเราก็จะไม่รู้ว่าท่านสอนถูกหรือสอนผิดสอนตรงหรือสอนไม่ตรงแล้วถ้าเราไปศึกษากับท่านพระพระอาจารย์ที่สอนผิดสอนไม่ตรงเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์การไปถึงความสุขของพระนิพพาน นี่คือวิธีการที่เราจะเข้าสู่สิ่งที่เป็นสิ่งที่มาัศจรนท์ที่แท้จริงของโลกก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเบื้องต้นต้องเข้าด้วยการมีศรัทธามีความเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่มาัศจันท์ที่แท้จริงของโลกที่จะสามารถมอบความสุขอั น, อนยิ่งใหญ่และความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้กับเราได้ เรามีศรัทธานในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วขั้นต่อไปเราก็ไปศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วเราไปปฏิบัติแล้วเราก็ไป ป, ปฏิบัติกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้ท่านได้ด้วยให้ให้ท่านช่วยสอนรายละเอียดต่อไปในวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าต้องปฏิบัติอย่างไร<ม>พอเราได้ทั้งได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แบบนี้แล้วได้ปฏิบัติตามแล้วไม่ช้าก็เร็ว วิมุตติการดูพ้นจากความทุกนิพพานนั้นอันที่เป็นบร ม, มสุขก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน <Yeah. S 1> นี่คือสิ่งมหาธอจรรย์ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ <Yeah. S 1> ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา <Yeah. S 1> จะขออนุโมทนาให้พรยะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ทาวาลวาหะปุราปริปุเรนติสาขลัง <Yeah. S 2> เอวเมวะอิตโตทินงังเปตานาังอุ ป, ปกปติ อิทิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเทปเรนตุสังกปายันโทปนาระสสยะามณิโชติระโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโวินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคาโยโกภวะ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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งมาทางเพจทางยูทูบก็ได้วันนี้มีผู้ติ ด, ดตามทั้งหมดเท่าไหร่อะ วันนี้มีผู้รับฟังธรมมาารมหนาคุฏจากทางเฟ e บุ o กพระอาจารย์สุชาติ481ท่าน YouTube พระสุชาติ l ลฟ์223 YouTube DrV Channel 158วิทยุ b e Online 13 Clubhouse 15นาคุต153รวมทั้งหมด 1,043 ท่านค่ะคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะ การเป็นอยู่ด้วยจิตที่ว่างการเป็นอยู่ด้วยจิตที่ว่างจากความนึกคิดปรุงแต่งเป็นการดับเหตุแห่งทุกข์ตั้งแต่ต้นทางหรือเมื่อมีภัสสะทางอายตนะครับมไม่สําคัญว่ามันทางไหนขอให้มันตัดความทุกข์ได้ก็พอแล้วจะตัดความทุกข์ได้ต้องมีสติทําใจให้นิ่งให้ได้แล้วก็มีปัญญาให้เห็นว่าสิ่ ง, งต่างๆเป็นทุกข์ก็จะระ ง, งับความอยากได้สิ่ ง, งต่างๆไป คำถามจากทาง YouTube ดร v ค่ะนั่งสมาธิแต่ไม่ได้ฌานตายแล้วไปไหนครับหลวงพ่อไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ถ้าคนไม่รู้เราจะไปรู้ได้งไงนะคะตอนนี้ยังไม่มีคำถามค่ะคือจิตเราจะไปไหนนี่มันอยู่ที่ว่าเราทำอะไรได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ ถ้าเราทำบาปมากกว่าทำอย่างอื่นแล้วก็ไปอบายถ้าเราทำบุญมากกว่าเราทำบาปเราก็ไปสวรรค์ถ้าเราเข้าสมาธิเข้าฌานได้เราก็ไปพรหมโลกถ้าเรามีปัญญาเห็นอริยาสาัจเสเห็นใจรักตัดกิเลสได้เราก็ไปนิพพานได้อยู่ตรงนี้ เห็คนที่จะรู้ก็คือคนปฏิบัตินั่นแหละสันทิติโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้ด้วยตนเองว่าตนเองนี้จะไปอยู่ในสภาพไหนคนอื่นถ้าไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอภิญญาอย่างพระพุทธเจ้านี้ก็จะไม่รู้แต่ถ้าคนที่มีอภิน ญ, ญาก็สามารถตามดวงวิญญาณของผู้นั้นไปได้ว่าตอนนี้อยู่อยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นพรหมอยู่ชั้นเทพ อยู่ชั้นมนุษย์หรือยอยู่อาบายอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้านี่สามารถตามดวงจิตของพุทธมารดาได้ถึงแม้จะจากกันหลายสิบปีมาแล้วก็ยังสามารถใช้พลังจิตค้นหาจนพบว่าพุทธมารดาอยู่ในสวรรค์สามารถติดต่อกับพุทธมารดาและสแสดงธรรมโปรดท่านจนท่านได้บรรลุเป็นพะโสดาบันได้ต้องอาศัยมีอภิญญาซึ่งอภิญญานี้ไม่จําเป็นต่อการบรรลุมาผลผานิพายน เป็นความสามารถพิเศษที่ไม่ใช่ทุกคนที่ปฏิบัติทําแล้วจะมีอภิญญาบางคนบรรลุธรรมโดยไม่มีอภิญยาส่วนใหญ่จะไม่มีอภิญญากันคนที่มีอภิญญานี้เป็นส่วนน้อยแค่ร้อยละห้างที่จะสามารถที่จะมีอภิญญาได้ลาภิญญานี้ก็ไม่ได้เป็นอยู่ในขั้นของปัญญาอยู่ในขั้นของสมาธิเือขั้นอุปจารสมาธิ ทั้นถ้าเราใครสามารถเข้าเข้าขั้นอุปจารสมาธิได้ก็จะสามารถมีอภินยาได้ละลึกชาติได้ติดต่อกับกายทิพย์ได้เที่ยวในโลกทิพย์ได้ไปสวรรค์ไปเที่ยวในสวรรค์ไปนรกไปอะไรได้แต่ไม่สามารถเอามาใช้ในการกาจัดกิเลสตัณหาได้การมีอภินยานี้บางทีก็จะกลายเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้น เขาจะหลงที่ว่าเป็นสิ่งที่วิเศษแล้วก็จะไม่สนใจต่อการที่จะไปเจริญปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะตัดกิเลสได้ก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้คำถามจากผู้รับฟังหนะ้ากูดค่ะ น้อมกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะปฏิบัติรู้กายที่เคลื่อนไหวตามรู้กายรู้จิตได้บ้างมีความคิดและอารมณ์ตามรู้แล้วอย่างไรจึงเรียกว่าเกิดปัญญาเจ้าคะ อ, อ๋อนี่ไม่ใช่เป็นการเจริญปัญญาเป็นการเจริญสติเรื่อเราต้องการควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยบังคับให้มันรู้อยู่กับเรื่องเดียวแค่รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกาย หรือรู้อยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอันนี้เป็นการเจริญสติเพื่อระ ง, งับความคิดปรุงแต่ยังไม่ใช่ถึงขั้นปัญญาข่านปัญญานี้จะต้องเห็นเกิดแก่เจ็บตายเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นความไม่สวยงามของร่างกายอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาแต่เป็นคนละขั้นกันตอนที่เจริญสมเ จ, จริญสตินี้เราจะไม่ใช้ความคิดเราจะหยุดความคิด หลังจากที่เราได้สติได้สมาธิแล้วเราถึงจะมาเจริญปัญญาต่อด้วยการใช้ความคิดคิดไปในทางที่เป็นตรงกับความเป็นจริงเช่นร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่คิดเราก็จะหลงไปคิดว่าเราจะอยู่ไปตลอดคิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าเราคิดบ่อยๆแล้วมันก็จะทําให้เราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความแก่รับกับความเจ็บรับกับความตาย เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายใจเราจะได้ไม่ทุกข์ถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริงเวลาเราเจอความเจ็บเราจะทุกข์ขึ้นมาเวลาเจอความตายเราจะทุกข์ขึ้นมาถ้าเราต้องการดับความทุกข์เราก็ต้องมันเตือนใจสอนใจให้เรารู้ว่าร่างกายนี้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องกลัวเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราเป็นดวงวิญญาณเราจะเป็นดวงจิตดวงใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาที่แต่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายและเราไม่ต้องไปทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกาย<ม>พอเราหยุดเรห้ามมันไม่ได้เราหยุดความแก่หยุดความเจ็บหยุดความตายไม่ได้แต่เราหยุดความทุกข์ของใจเราได้โดยที่เราปล่อยวางร่างกาย ถามเองเลยก็ได้พูดใหม่เอาใกล้ๆปากหนะ่อยอยากพบนวัตการหลวงพ่ อ, อค่ะถามถามเรื่องนั่งสมาธิเจ้าค่ะออพอดีว่าจะเพิ่งเริ่มเริ่มนั่งอะค่ะแต่เวลานั่งแล้วจะรู้สึกว่ามันจิตใจมันจะคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างนี้ค่ะจริงๆเวลาหลังจากหลับตาแล้วเราควรต้องต้องทําอย่างไรนึกอะไรค่ะเือก่อนจะมานั่งเราต้องฝึกสติก่อนต้องคอยควบคุมความคิดไว้ก่อน ช่วงที่เราตื่นมาเราไม่ต้องคิดเรื่องอะไรแล้วก็อย่าปล่อยให้มันคิดตื่นขึ้นมาเราจะไปเตรียมตัวอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวช่วงนั้นเราก็ฝึกสติไปพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดเพื่อที่เราจะได้มีกําลังที่จะหยุดความคิดเวลาที่เรามานั่งสมาธิได้ถ้าเราไม่ฝึกเวลาเวลามานั่งสมาธิมันจะไม่มีกําลังหยุดมันได้พยายามฝึกสติก่อนพยายามหยุดความคิดก่อนที่เราจะมานั่ง ช่วงที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกับงานที่เราทําเป็นอาบน้ําล้างหน้ า, าแป่งฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราสามารถเจริญสติได้อย่างอย่างง่ายดายเพราะไม่ต้องใช้ความคิ ด, ด, ดแล้วก็ถ้าอยากจะได้ผลดีเราต้องหาเวลาสักวันหนึ่งมาให้กับการเจริญสติกับการนั่งสมาธิทําแบบมืออาชีพ ถ้าเราทําแบบมือสมัครเล่นวันหนึ่งมา น, นั่งห้านาทีสิบนาทีมันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ยังต้องลองหาวันใดวันหนึ่งที่เราว่างจากการทํางานแล้วมาทํางานทางด้านสมาธิกันทางด้านสติกันไปอยู่วัดที่เขามีที่จัดให้เราอยู่คนเดียวให้เราสามารถจเจริญสตินั่งสมาธิของเราไปได้ทั้งวันทั้งคืนอันนั้นจะได้ผลดี ดีกว่าที่เราทำแบบที่เราทำนึกอยากจะนั่งก็นั่งมันนึกอยากจะนั่งแต่ใจมันไม่ยอมนั่งด้วยต่มันยังคิดอยู่เรื่องเนื้อเนื่องนี้มันก็ไม่ยอมหยุดคิดต้องพยายามฝึกการหยุดความคิดให้ไว้ก่อนแล้วเวลานั่งสมาธิใจจะได้ไม่คิดมากให้อยู่ให้ดูลมก็จะอยู่กับลมให้พุโทโธก็จะอยู่กับพุโทโธไป จากทางยูทูบด็อร์วีนะคะจากท่านที่ถามเมื่อกี้ว่านั่งสมาธิแต่ยังไม่ได้ชานนะคะเขาถามต่อว่านะถ้านั่ ง, งแล้วจะได้บุญไหมครับได้เลยนะถ้านั่งนั่งสมาธิเราจะได้บุญไหมครับถ้ายังไม่ได้ผลก็ยังไม่ได้บุญต้องได้ผลถึงจะได้บุญคําถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ ขอพระอาจารย์เมตตายกตัวอย่างความดําริชอบให้เข้าใจมากขึ้นเจ้าค่ะก็ดําริว่าเราจะไม่ทำบาปนี่ก็ดํารีชอบเราจะทำบุญเนี่ยก็เรียกว่าดําริชอบเราจะนั่งสมาธิเราจะฟังเทศฟังธรรมอันนี้เรียกว่าเป็นการดํารีชอบความคิดที่จะพาไปสู่การกระทาต่อไปสู่การรักษาศีลสู่การทำบุญทำทานสู่การฝึกสตินั่งสมาธิ สือการเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมความคิดชอบทําิชชอบไม่ใช่คิดไปช้อปปิ้งที่นั่นคิดไปเที่ยวที่นี่คิดไปหาเงินที่นู่นหาเงินที่นี่คิดแบบนี้มันเป็นการคิดให้เราติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดค่ะคำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องละสมมุติจึงพบวิมุติหน่อยครับอะไรนะ อยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องละสมมุติจึงพบวิมุติครับสมมุติก็คือสิ่งต่างๆที่มีการเกิดขึ้นมันก็ต้องมีการดับไปเรียกว่าสมมุติมันเป็นของชั่วคราวสิ่งที่สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นแหละก็คือสิ่งที่วิมุติก็คือความว่างถ้าความมีความว่างมันก็จะว่างไปตลอดแต่ถ้ามีอะไรมันมีแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับเอนเรามาประชุมกันตรงนี้เดี๋ยวเราก็เลิกประชุมกัน เราไปยึดไปติดอยากจะอยู่ร่วมกันที่นี่ไปตลอดเวลาต้องจากกันเราก็จะรู้สึกก้าโศกเสียใจขึ้นมาเราต้องละแล้วสมมุติ ด, ด้วยการเห็นเห็นไตรลักษณ์เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาในสมมติในสิ่งต่างๆที่มีอยู่เป็นอยู่ในขณะนี้ว่าเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงถ้าเราละได้เราก็จะหลุดพ้นเราก็จะอยู่ อยู่กับความว่างได้อยู่กับความสงบไม่ต้องมีอะไรเราก็มีความสุขได้ยังไม่มีคำถามค่ะต้องพยายามทำฝึกสตินั่งสมาธิเพราะนี่คือวิธีเข้าสู่ความว่างนั่งสมาธินี่เป็นการนีลอถอนถอนออกจากการไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ถ้าเราไม่นั่งสมาธิเราก็ต้องทําอะไรใช่ไหมต้องดูหนังบ้างฟังเพลงบ้างต้องหาขนมกินบ้างต้องหาเครื่องดื่มมาดื่มบ้างเพราะใจเราหิวโหวยอยากจะมีความสุขแล้วความสุขที่เราถนัดก็คือความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสต่างๆแต่ความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาปั๊บเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วพอมันหมดมันก็ปล่อยให้เรารู้สึกหิวโหวยขึ้นมาใหม่อ้างว้างปล่าเปลี่ยวใหม่เราก็ต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆ แต่ว่าหนึ่งร่างกายของเราก็จะต้องไม่สามารถหาตามที่เราต้องการได้พอร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยหมอก็ห้ามนะห้ามกินของหวานห้ามกินของเค็มห้ามกินของมันอะไรต่พอไม่ได้กินอย่างที่เราเคยกินเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการที่เราจะไปหาความสุขจากสิ่งตา่างๆไปหาความสุขจากสิ่งที่ไม่มีคือหาความสุขจากความสงบ ดึงใจออกจากรูปเสียงกลิน่นรสให้เข้าไปในสมาธิโดยการใช้สติคอยควบคุมความคิดความคิดเป็นตัวคอยดึงใจให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราหยุดความคิดได้ตัวที่จะดึงเราไปหารูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะไม่มีพอไม่มีตัวดึงให้ออกไปข้างนอกจิตมันก็จะเข้าข้างในเข้าสู่ความสงบพอมันอยู่ความสงบมันก็อยู่กับความว่างอยู่กับความไม่มีอะไรแต่มันก็มีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จาก สิ่งต่างๆที่มีอยู่อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรที่จะฝึกควรที่จะเข้าหากันหาความสุขจากความสงบจากความว่างของจิตใจแล้วต่อไปเราไม่ต้องพึ่งอะไรเมื่อเราไม่ต้องพึ่งอะไรเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เราพึ่งไป ถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะพอท้องแล้วมีอารมณ์แปรปรวนพยายามระงับด้วยพุทโธบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้พอเรามีอารมณ์แปรปรวนย่อมควรวางใจอย่างไรดีเจ้าคะก็นั่นแหละก็ต้องหยุดมันไงหยุดมันด้วพุทโธพุทโธถ้าเราไม่หยุดมันเดี๋ยวมันก็มันก็เกิดอาการทําให้เราวุ่นวายใจตลอดเวลาแต่ถ้าเรา ร, รู้จักใช้พุทโธ เราต้องฝึกใช้พุโทโธมาก่อนพอถึงเวลาใจเริ่มวุ่นวายแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องไปสนใจอยู่กับพุโทโธไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวอาการวุ่นวายใจก็จะหายไปถ้าไม่มีพุโทโธมันก็จะวุ่นวายไปเรื่อยๆจนกั่ามันจะเหนื่อยเหนื่อยเพลียอ่อนกําลังแล้วหยุดไปเองแต่ก็จะหยุดได้บางทีก็นานหมดแล้วเลยถ้าหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา